t h e down. ไฟเผาไฟหักติดหักติดตัดใจเสนียดจันไรจะใหญ่ไม่มีมาเลยค่ะเทรถุกด้วยนะคะ <c oughs> เทละครับ <c oughs> <c oughs> มาสร้างเสน่หให้กับบ้านด้วยกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ดีเลยค่ะ เอาน้ำอุบารออกไปเสนียดจันไรจะได้ไม่ติดบ้านนะคะเอ้าเพลงอะไรพวกเราเฮ้ยจีนตั้งีเดทะเลาอุบภูรีของไม่ดีเอา อย่าลืมเทละทุบด้วยนะคะ